โทษแห่งการวิวาทพระพุทธภาสิทธิ์ปรเรจัตวิชานันติมยะเมตทะยะมามังอเศเยจะตะถะัถาวิชานันติตโตสัมมันติเมทะคาคำแปลคนพวกอื่นไม่รู้ดอกว่าเราทั้งหลายย่อยยับอยู่วงเล็บเพราะการทะเละวิวาทกันส่วนพวกนายรู้เห็นโทษของการทะเละวิวาท ความหมายมั่นซึ่งกันและกันก็ย่อมระงับลงอธิบายความการทะเลาะวิวาทนั้นมาจากเหตุสองประการเป็นอย่างน้อยคือหนึ่งผลประโยชน์ขัดกันและสองมีทิฏฐิมาณเข้าหากันสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าคือหัดทะเลาะกันด้วยเรื่องการ วงเล็บผลประโยชน์บนรรพชิตทะเลาะกันด้วยเรื่องทิฏฐิคือความเห็นขัดแย้งกันเมื่อการทะเลาะเกิดขึ้นย่อมต้องย่อยยับไปทั้งสองฝ่ายพึงเห็นตัวอย่างคนเป็นความทั้งฝ่ายแพ้และฝ่ายชนะต้องเสียอย่าง ย, ยุบยับได้ไม่คุ้มเสียนอกจากนี้การทะเลาะยังเป็นที่มาแห่งการดูหมิ่นจากผู้อื่นพี่น้องผัวเมียทะเลาะกันก็เป็นที่ดูหมิ่นของชาวบ้าน พระทะเลาะกันก็เป็นที่ดูหมิ่นของคฤือหัดและเป็นเหตุให้ชาวบ้านแตกแยกกันด้วยดังเช่นการทะเลาะวิวาทของภิกษุชาวโกสัมพีเรื่องประกอบภิกษุชาวโกสัมพีที่โคสิ ต, ตารามเมืองโกสัมพีมีพระคณาจารย์ใหญ่อยู่สองคณะคือคณะพระวินัยทรนวงเล็บผู้ทรงวินยัยผู้เชี่ยวชาญทางวินยัยกับคณะพระรธรรมกัคคก คือผู้กล่าวธรรมผู้เชี่ยวชาญทางแสดงธรรมอาจารย์ใหญ่ทั้งสองนี้มีสิบคนลับประมาณ500วันหนึ่งพระธรรมกติกเข้าไปในฐานวงเล็บส่วนทำสรีรากิจแล้วเหลือน้ำสำาระไว้ในภาชนะแล้วออกมาพระวินัยทอนเข้าไปภายหลังท่านเหลือน้ำไว้หรือใช่ครับผมเหลือไว้เองพระธรรมกติกบอกความจริง ท่านรู้หรือไม่ว่าการเรือน้ำว่าอย่างนี้เป็นอาบัตผมไม่รู้พระธรรมกัติกตอบถึงไม่รู้ก็เป็นอาบัตพระวินัยทอนว่าถ้าอย่างนั้นผมจะทำคืนเสียคือผมจะแสดงอาบัตพระธรรมกัติกยอมรับแต่ถ้าท่านไม่แกล้งทาท่านทำเพราะไม่มีสติอาบัตก็ไม่มีพระวินัยทอนว่า ด้วยคําพูดตอนหลังของพระวินัยทร น, นี้พระธรรมกัคติกจินไม่ได้แสดงอาบัติคงปล่อยไว้อย่างนั้นหากเรื่องจบเพียงแค่นี้ก็เป็นอันจจบแต่พระวินัยทรไม่ได้นิ่งเฉยกลับนําเรื่องนั้นมาพูดกับสิทธิของตนว่าพระธรรมกัคติกแม้ต้องอาบัติก็ไม่รู้เมื่อสิทธิของพระวินัยทรเจอสิทธิของพระธรรมกัคติกก็พูดใส่หูเป็นเชิงดูหมิ่นว่าอุปชาของพวกท่านต้องอาบัติแล้วก็ไม่รู้ สิทธิ์ของพระธรรมกติกได้ฟังดังนั้นจึงไปถามอุปชาของตนว่าเรื่องเป็นอย่างไรสิทธิ์ของพระวินัยถอนจึงพูดเช่นนั้นพระธรรมกติกเล่าเรื่องให้สิทธิ์ฟังแล้วกล่าวว่าพระวินัยถรทีแรกพูดว่าไม่เป็นอาบัติมาบัตนี้ฉะนั้นจึงพูดว่าเป็นอาบัตพระวินัยถอนพูดมุสาสิทธิ์พระธรรมกติกเมื่อพบสิทธิ์ของพระวินัยถรก็พูดบ้างว่าอุปชาของพวกท่านพูดมุสา ทั้งสองฝ่ายต่างทิ่มแทงกันด้วยหอคือปากแล้วการทะเลาะก็แพ่วงกว้างออกไปด้วยประการชนี้ต่อมาภายหลังพระวินัยทานได้โอกาสจึนได้ทำาอเคปนิยกรรมแก่พระธรรมมกติเพราะการไม่เห็นอาบัตตตั้งแต่นั้นมาพระสงฆ์ในโคสิตารามก็แตกกันเป็นสองพวกแม้อุบาสกอุบาสิกาก็แตกเหมือนกันตารากล่าวว่าแม้พวกเทวดาก็ อย่างแตกกันภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลความที่ภิกษุสองพวกแตกกันพวกพระวินัยทรถือว่าการที่พระวินัยทรประกาศทุเคปนิยกรรมแก่พระธรรมมกตินั้นสมควรแล้วส่วนพระธรรมมกติถือว่าอุปชาของตนไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นต้นการแตกร้าวได้แผ่ไปอย่างกว้างขวางพระผู้มีพระภาคทรงส่งพระโอวาท ไปถึงสองครั้งว่าขอให้ภิกษุทั้งสองฝ่ายจงพร้อมเพรียงกันทรงสดับว่าภิกษุทั้งหลายไม่ปรารถนาจะพร้อมเพรียงกันครั้นครั้งที่สมทรงทราบว่าภิกษุทั้งหลายแตกกันแล้วสเสด็จไปสู่ที่อยู่ของภิกษุเหล่านั้นตรัสโทษในการทําอเคปัญยกรรมของภิกษุผู้ทําอุเคปัญยกรรมและตรัสโทษของการไม่เห็นอาบัติของภิกษุผู้ต้องอาบัติแต่ไม่สําเร็จประโยชน์อะไร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 มีลัตตกิกะชาดกเป็นต้นครั้งนี้มีภิกษุผู้เป็นธรรมวาทีวงเล็บพูดเป็นธรรมรูปหนึ่งไม่ประสงค์ให้พระตถาคตเจ้าลำบากได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์จงทรงขวัญขวายน้อยขอพระองค์จงอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเถิดข้าพระองค์ทั้งหลายจะปรากฏด้วยกรรมของตนเอง พระผู้มีพระภาคทรงมีพระกรุณาดุดว่วงมหานบและไม่มีที่สิ้นสุดได้ตรัสเล่าเรื่องพระเจ้าทีขีติโกสลซึ่งพระเจ้าพรหมทัตให้ปรองพระชนพร้อมทั้งพระอัครมเหสีต่อมาทีคาวุกุมารโอรสพระเจ้าโกสลจับพระเจ้าพรหมทัตได้ประสงค์จะปรงพระชนเสียแต่กลับเป็นมิตรกันได้เพราะทีคาุกุมายกพระชน ให้แก่พระเจ้าพ ม, มาทัตกษัตริย์ทั้งสองได้สมานสามัคคีกันต่อมาพระาศาสดาตรัสย้ำว่าภิกษุทั้งหลายกษัตริย์ทั้งสองคือทีคาวุและพระเจ้าพ ม, มาทัตเป็นผู้มีศัตราอาวุธยังมีความอดกลั้นและความสงบสเสี่ยมให้อภัยกันได้ทําไมเล่าเธอทั้งหลายจะปล o n ดองสามัคคีกันไม่ได้ภิกษุทั้งหลาย จะเป็นความงามหาน้อยไม้หาเธอทั้งหลายผู้บวชในธรรมวินัยของเรากล่าวดีแล้วจะพึงเป็นผู้อดกลั้นและ ส, บสงบเสงี่ยมเรียบร้อยแต่พระองค์ไม่สามารถให้ภิกษุทั้งหลายพร้อมเพรียงกันได้เลยพระาศาสดาทรงระหิดพระอาต่อการทะเลาะของภิกษุเหล่านั้นมีพระประสงค์จะเสด็จหลีกออกจากหมู่อยู่โดดเดียว เชาวันหนึ่งจึงเสด็จไปบิณฑบาตในเมืองโกสัมพีทรงถือจีวรและบาตรด้วยพระองค์เองไม่ได้ตรัสบอกภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเลยเสด็จไปทางพาลกะโลนการามตัดเอกจาริกวัดคือวัดแห่งภิกษุอยู่ผู้เดียวแก่พระพระคุเทระที่พาลกะโลนการามนั้นตรัสอานิสง์แห่งสามมคีแก่กุลบุตรสามคน ในมิกทนายนชื่อปาจีนวังศะแล้วเสด็จไปทางหมู่บ้านชื่อปาลิเลยะกะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอยู่อาศัยบ้านปาลิเลยะกะเสด็จจำพรรษาอยู่ที่ใต้ต้นสาละใหญ่ในราวป่ารักกิตวันได้รับอุปถากจากช้างชื่อปาลิเลยกะเสด็จอยู่จำพรรษาอย่างผาสุก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 วงเล็บที่นั่งไม่ทาสามีกิกรรมมีการไหว้เป็นต้นตั้งแต่นั้นมาพกอุบาสุคุบาสิกาก็ไม่ยอมทาสามีกิกรรมมีการไหว้เป็นต้นไม่ยอมถวายอาหารบิณฑบาตพิกษุพวกนั้นสูบซีดลงเพราะมีอาหารน้อยสองสามวันต่อมาก็คลายพยศกลับเป็นคนตรงต่างก็ขอโทษซึ่งกันและ ก, กัน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 เมื่อพวกท่านตูนขอขมาพระาศาสดาแล้พระองค์ทรงรับขมาแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายจะเป็นเหมือนอย่างเดิมภิกษุเหล่านั้นม่อาจไปขอขมาพระาศาสดาได้เพราะอยู่ในพรรษาจึงอดทนอยู่จำพรรษาด้วยความยากลําบากในเรื่องอาหารเป็นอย่างยิ่งได้กล่าวแล้วว่าในพรรษานั้นพระาศาสดาประทับจําพรรษาณป่ารักขิตวันใกล้หมู่บ้านป่าริเลยยกะได้ช้างชื่อปาลิเลยยกะอุปถากอยู่ ช้างปา ล, ลาริเลยะกะนั้นหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเพราะละอิดระอาในความเกลื่อนกลด้วยหมูคณะสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าครั้งนั้นช้างปา ล, ลาริเลยกะได้ออกจากหมู่อยู่แต่ตัวเดียวแล้วเพราะคิดว่าเราอยู่เปลื่อนกลด้วยช้างปลายช้างพังช้างสะเทินและลูกช้างเราต้องกินหญ้าที่ปลายขาดเพราะพวกลูกช้างแย่งกินแซก่อนพวกช้างทั้งหลาย คอยแย่งกินซึ่งกิ่งไม้ที่เราหักลงเราต้องดื่มน้ำคุณเมื่อเราลงสู่ท่าน้ำหรือขึ้นจากท่าน้ำก็ต้องเดินเสียดสีกับลูกช้างและช้างทั้งหลายทำอย่างไรนอเราจึงจะหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวช้างนั้นตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวลีกออกจากโขงเข้าไปยังป่ารกิตวันณขวงไม้สาระใหญ่ใกล้หมู่บ้านป่าลิเลยยกัด ช้างนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วเข้าไปหาปัดกวาดบริเวณใต้ต้นศาลาให้สะอาดเรียบร้อยเอางวงจับหม้อตักน้ำเสบยและน้ำใา้มาตั้งไวเมื่อพระาศาสดามีพระประสงค์น้าร้อนก็ถวายน้ำร้อนวิธีการทำน้ำร้อนของช้างเป็นดังนี้มันเอางวงจับไม้แห้งสองอันแล้วสีกันให้เกิดไฟ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 เวลาพระาศาสดาเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านช้างได้วางบาทและจีวรของพระองค์ไว้บนตะพองตามเสด็จพระาศาสดาไปเมื่อพระพุทธองค์เสด็จถึงเขตบ้านจึงรับสั่งว่าปาริเลยะกะตั้งแต่นี้ไปเจ้าจะเข้าไปไม่ได้จงเอาบาทและจีวรของเรามาช้างจะยืนอยู่ที่นั่นเองจนกว่าพระพุทธองค์จะเสะด็จกลับ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 ลิงคิดว่าทำไมน้อพระองค์จึงไม่เสวยจึงจับกิ่งไม้มาพิจารณาดูอีกทีหนึ่งเห็นตัวอ่อนจึงค่อยๆนาตัวอ่อนเหล่านั้นออกแล้วถวายใหม่พระศ า, าสดาเสวยแล้วเมื่อเห็นดังนั้นลิงมีความยินดีอย่างยิ่งยืนฟ้อนอยู่ไปมาบนกิ่งไม้มันกระโดดไปมาด้วยความยินดีบัเงเอิญกิ่งไม้หักมันตกลงมาตรงต่อไม้แหลมอันหนึ่ง ถูกตอนนั้นแผงสิ้นใจตา ย, ตายมันมีจิตเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคไปเกิดในภพดา ว, วดึงการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จหลีเค้นไปอยู่ในป่ารกิตวันนั้นเป็นข่าวอันแพร่สัพัดไปเกือบทั่วชมพูทวีปทางเมืองสาวัตถีท่านานาถะบินิกะและวิสาขะมหาอุบาสิกาได้จัดการส่งสารไปถึงพระอานนว่า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 พระอานน์พาภิกษุเหล่านั้นไปเฝ้าพระศ า, าสดาณป่าลักิตวันเมื่อไปถึงชายป่าท่านคิดว่าการนาภิกษุทั้งหมดเข้าเฝ้ายังไม่สมควรก่อนควรให้ภิกษุเหล่านี้พักรออยู่ภายนอกส่วนตัวท่านเองเข้าไปรูปเดียวก่อนนี่เป็นความรอบครอบของพระอานน์คิดดันนี้แล้วจึงเข้าไปเฝ้าเพียงรูปเดียวช้างป่าทิลยกะเห็นพระอานน์มาแต่ไกลจากท่อนไม้ ได้วิ่งไปเพื่อไล่พระอานนุพระศ า, าสดาทอดพระเนตรเห็นจึงตัดว่าปลาริเลยยกะลีไปก่อนอย่าห้ามภิกษุนั้นเธอเป็นอุปถาของเราช้างรู้เช่นนั้นจึงรีบทิ้งท่อนไม้แล้วแสดงอาการเอื้อเฟื้อในการรับบาดและจีวรแต่พระอานนุนไม่ยอมให้ช้างยืนมองดูอยู่คิดว่า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 อันควรแก่ตนแห่งหนึ่งพระศาสดาตรัสถามว่าอานน o ์เธอมาเพียงผู้เดียวหรือมีภิกษุมาด้วยเป็นอันมากพระเจ้าข่าเธอเหล่านั้นอยู่ที่ไหนข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบน้ําพระไถยของพระองค์จึงพักภิกษุเหล่านั้นไว้ภายนอกก่อนพระเจ้าค่าไปนํามาเถิดพระอาน o ์นําภิกษุเหล่านี้เข้าเฝ้าพระศาสดาทรงปฏิสันฐานกับเธอทั้งหลาย ด้วยพระอัธยาศัยอันนุ่มนวลภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าภาพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระพุทธเจ้าอันสุขุมวงเล็บละเอียดพอรอทรงเป็นกษัตริย์อันสุขุมพระองค์เสด็จอยู่พระองค์เดียวตลอดใจมาชื่อว่ากระทรรกิจอันทํำได้โดยยากผู้ปฏิบัติพระองค์คงมิได้มีณที่นี้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 ไหวเป็นมิตรสําหรับไปมาด้วยกันไซก็ควรมีใจยินดีมีสติตั้งใจบังบัดอันตรายแก่สหายนั้นถ้าไม่ได้สหายเช่นนั้นก็ควรเที่ยวไปคนเดียวเหมือนพระราชาทรงสละราชบัลลังก์เที่ยวไปผู้เดียวหรือเหมือนช้างชื่อมาตังคะเที่ยวไปแต่ผู้เดียวในป่าการเที่ยวไปผู้เดียวนั้นประเสริฐกว่าเพราะความเป็นสหายไม่มีในคนพาล เมื่อไม่ได้สหายที่มีปัญญาคุ้มครองตนก็ควรเที่ยวไปแต่ผู้เดียวและไม่ควรทำบาดทั้งหลายเมื่อพระศาสดาตรัจบภิกษุห้าร้อยรูปได้สำเร็จพระอรหันตผลพระอนุนทูลสารที่ตระกูลใหญ่ๆมีท่านอนาถบินิกะเป็นต้นทรงมาทูลเชิญเสด็จพระศาสดาสู่นครสาวัตถีพระศาสดาตรัสกับพระอนุ์ถ้าอย่างนั้นเธอจงรับบาตรและจีวร ดังนี้แล้วสเสด็จออกไปช้างได้ยืนขวางทางวายภิกษุทั้งหลายได้เห็นแล้วทูลถามพระพุทธองค์ว่าทำไมช้างจึงยืนขวางทางพระศาสดาตรัสตอบว่าช้างมีความประสงค์จถวายอาหารช้างนี้มีอุปการะต่อเรามานานการทำให้จิตใจของเขากัดเคืองไม่ควรเลยภิกษุทั้งหลายพวกเราอย่าเพิ่มไปเลยกลับกันก่อนเถิด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 เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามพระศาสดาตรัสว่าช้างประสงค์จะให้พวกเธอทั้งหลายกลับไปแต่จะให้พระองค์เสด็จกลับพระศาสดาตรัสกับพญาช้างปาลิเลยยะกะว่าปาลิเลยยะกะเออยในอัตภาพนี้เธอเป็นเดรัจฉานไม่อาจบรรลุฌานหรือวิปัสสนาหรือมรรคผลได้เจ้าจงอยู่ที่นี่เถิดอย่าติดตามไปเลย ช้างฟังแล้วเอางวงเข้าปากร้องให้และติดตามไปเบื้องหลังยังมีความประสงค์จะอัญเชิญพระศ า, าสดาให้เสด็จกลับ mm hmm. เมื่อเสด็จถึงเขียนบ้านปลาริเลยยะกะพระศ า, าสดาผินพระพักมาตรัสกับช้างว่าปาริเลยยะกะต่อไปนี้เป็นแดนของมนุษย์ไม่ใช่ถิ่นของเจ้ามีภัยอยู่รอบด้านสำหรับเจ้าจงหยุดอยู่เพียงแค่นี้เถิด อย่าเดินต่อไปอีกเลยช้างไม่อาจติดตามไปอีกได้ยืนร้องไห้อยู่ตรงนั้นยืนมองดูพระศาสดาพอพระองค์รับผองจากสุไปใจของช้างก็แตกด้วยอำนาจแห่งความรักช้างนั้นสิ้นชีพแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเทพพระบุตรชื่อปาลิเลยกักษั ฝ่ายภิกษุชาวเมืองโกสัมพีได้ทราบข่าวว่าบัด น, นี้พระศาสดาสเสด็จถึงเมืองสาวัตถีแล้วได้พากันไปยังสาวัตถีเพื่อขอให้พระศาสดาประธานอภัยพระเจ้าประเสริที่โกศลทรงทราบว่าพวกภิกษุชาวโกสัมพีมาจึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลว่าจะไม่ยอมให้ภิกษุเหล่านั้นเข้าเมืองฝ่ายอนาถมินทิกะเศรษฐีก็เหมือนกันกราบทูลพระศาสดาว่าจะไม่ยอมให้ภิกษุเหล่านั้นเข้าวัด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 ในการประชุมก็ส่งให้ภิกษุชาวโกสัมพีรวมอยู่ด้วยกันที่หนึ่งประชาชนที่มาประชุมกันก็ถามพระศ า, ศาสดาว่าพวกไหนคือภิกษุชาวโกสัมพีพระศาสดาตรัสชีให้ดูว่าพวกนั้นพวกนั้นใครมาก็ถามจนภิกษุพวกนั้นละอายนั่งก้มหน้านิ่งไม่อาจเงนหน้าได้ฟุบลงแทบพระบาทแห่งพระผู้มีพระภาคทูลขอขมา พระศาสดาทรงเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายทำกรรมหนักเสียแล้วเธอทั้งหลายบวชในาศาสนาของพระพุทธเจ้าเช่นเราเมื่อเราสมานสามัคคีเธอทั้งหลายก็หาทำตามไม่ส่วนบัณฑิตในการก่อนสัตโอวาทของบิดาผู้ต้องถูกประหารชีวิตแล้วไม่ได้ขัดขืนโอวาทของบิดามารดาปฏิบัตตามโอวาทของท่าน ภายหลังได้ประสบโชคดีได้ครองแคว้นถึงสองแคว้นคือกาสีและโกศลดังนนี้แล้วตรัดทีคาวุกุมารชาดกและตรัดต่อไปว่าคนพวกอื่นไม่รู้ดอกว่าเราตั้งหลายย่อยยับอยู่เพราะการทะเละวิวาทกันส่วนพวกใดรู้เห็นโทษของการทะเละวิวาทความไหมมั่นซึ่งกันและกันยอมระงับลง อัํธร t มกถาสาทยาสมันเตหิสันละเกตปา a t ิ มันก็ไม่ควรจะมีอะไรนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากความดับรละหรือการกระทาของบุคคลนั้นๆถ้าใจเป็นธรรมใจมีธรรมมีเมตตาอารีเนี่ยมันก็คงไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะจากนั้นธรรมตอนนั้นที่คุมของโลกเนี่ย ถ้าปาศจากทำรรแล้วโลกนี้ก็ไหลไปตามอำนาจกิเลสก็ต้องทะเลาะบอกแวง้งประหัรประหารรบราฆ่าฟันกันนี่ถ้าโลกทิ้ง ร, รมขาดธรรมมันก็จะมีแตกการขาดาพยาวะบาดจองเวรซึ่งกันและกันนี่เหมือนพระองค์ตรัสว่าเหมือน กับนกเขาหรือมันมีกับไม้สะเคราะห์เป็นต้นเนี่ยมันก็แปลกนะจองเวรกันมาจนถึงปัจจุบันนี้เยเคยสังเกตไหมกากับนกเขามันก็ไม่ถูกกันนเห็นกันแล้วก็ไล่จิกกันมันจองเวรมาพระองค์ก็เล่าเรื่องอดีตอยู่เหมือนกันว่าสาเหตุที่จองเวรกันเพราะว่าก็จะแต่งตั้ง ผู้นำสัตว์นอย่างสัตว์สีท้าขาก็ต้องให้ราชสีแล้วเนี่ยส่วนสัตว์ปีกก็ยังหาจะเป็นผู้นำยกขึ้นเป็นพญาสัตว์ไม่ได้เนี่ยก็เลยมีการประชุมสโมสรกันมีการเสนอแล้วก็ลมมติกันนูเนี่ยยจะแก่มีการ เสนอกานบอกว่ามีสัตว์ปีกหลายๆกลุ่มเนียบอกว่าน่าจะเสนอกาปาณนั้นพอเสนอกาหลาวคนมัจจะจำผิดหรืออาจจะเสนอใครก่อนก็ได้เสนอกากขึ้นมา แต่ก็เสนอลูกเขาก่อนดีกว่านกเขาเสนอลูกเขาขึ้นมาเนี่ยก็เป็นลักษณะองค์อาจหน้าเปลงขามก็เลยเสนอขึ้นมารู้สึกกาเป็นผู้คัดค้านบอกว่าไม่ได้หรอกนะขนาดไม่โกรธยังน่ากลัวขนาดนี้ถ้าโกรธมาจะขนาดไหนตาเปรมเลยเมื่อไง ถ้ามันโกรธขึ้นมามนเสร็จเลยเล่า่างนั้นคนะัดค้านขึ้นมาก็เลยลง ม, มติไม่ได้นะพอในที่ประชุมเห็นว่าเออกานี่มีความคิดดีไปเลยเสนอกาขึ้นมาบอกว่าถ้า ง, งั้นเสนอกาเนียเป็นพยาสัตว์ปีกเนะี่ยนกเขาก็ขานดิไม่ได้หรอกกา น, ะขขา น, น่ขี้ขโมย่งั้นขี้ขโมยถ้าเกิดเราไปวางไข่ไว้ที่หนังเนี่ย การนี่เป็นนักขี่ขโมยเนี่ยเอาไว้ไม่ได้หรอกเนะว่าอย่างนั้นก็เลยไม่ได้ทั้งสองตัวเนี่ยก็เลยอาฆาตกันมาตั้งแต่ตอนโน้นมาอย่างนั้ น, นมาถึงปัจจุบันเจอกันไม่ได้ตำไล่ตีกันเนี่ยส่วนมีกับไม้สครอนี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง น, นี่ก็เพราะความโกรธความไม่พอใจเฉยๆนย มีนั้นไปกินพึ่งเป็นอะไรมาเรียบร้อยแล้วจะนอนพักร้อนสักหน่อยแต่ในวันนอนอยู่ใต้ร่มไม้สะคอไม้สะคอใหญ่นี่ไปเห็นไม้สะคอที่ประเทศเนปาลที่กรุงกบิลพัทอุยมันใหญ่เหลือเกินในในพระราชาวังกรุงกบิลพัทไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วไม่เคยเห็นใหญ่ขนาด น, นั้นเี่เนอนอยก็เลยแล้วเราเรื่องมีกับไม้สะคอเหมือนกันเนี่ไปนอนอยู่ใต้ร่มไม้สะคอ นอนกำลังเคริ้มๆอารมณสบายกิ่งไม้สะคอมันหักลงมามันจะถูกลมถูกอะไรเนี่ยถูกแสกหน้าเอาเจ็บกโกรธโมโหเลยอาฆาตโกรธให้ไม้สะคอนี่ยก็โกรธในสิ่งที่ไม่ควรโกรธเนี่ยก็จะหาวิธีแก้แค้นแก้แค้นไม้สะคอตัวนี้เนี่ยเดินไปเดินไปเห็นคนกําลัง เดินมามหาไม้ไปทำก้อนรดหมไรเงี้ยบอกว่าท่านกําลังหาอะไรอยู่บอกว่าหาไม้ที่ดีๆไปทำก้อนรถมีไม้อะไรเนาะดีๆในป่านี้หมีก็โอ้มีรู้จักอยู่ไม้ชนิดหนึ่ง ด, ดีมากเลยเถ้าไปทำเนื้อับรองทนทานนะเนี่ยก็เลยไปบอกว่าไม้สะคอนะดีที่สดุดต้องการจะให้ก็ไปตัดไม้ พวกนั webs, han, e, ้น okay, ร oh, mm ู hmm. right. ้เขาก็เลยไปบอกกันและกันบอกว่าโอ้นี่สงสัยหมีหรือเทวดาก็ไม่รู้เขามาบอกว่าไม้สะโค่เลยดีมากเลยคนก็เลยไปตัดไม้สะโค่กันทีนี้ร้อนถึงเทวดาเทวดาก็เนี่อยู่ๆก็หาเรื่องจะมาตัดต้นไม้ต้นอะไรทำลายที่อยู่ของเขาไม่ได้แล้วมีตอนนี้ มาโกรธมาอาฆาตในสิ่งที่ไม่ควรโกรธไม่ควรอาฆาตก็เลยไปบอกพวกคนเขาหาไม้ไม้สะคอบอกว่าคือคงจะแปลงตัวแปลงล่างไปนะบอกว่าถ้าท่านได้ไม้สะคอร์ก็ดีแล้วละ่ะไม้สะคอรก็คงดีอยู่นะแต่ถ้าอยากให้ดีนะ ถ้าได้หนังหมีไปหุ้มด้วยเมื่อกี้ถ้าเล่นหนังหมีไปหุมด้วยเนี่ยรถของท่านนี่จะทนมากไปเมื่อกี้ชาวบ้านก็เลยต้องล่าหมีอีกแล้วก็ถ่ายก็เลยว่ามีกับไมส้สราะห์นั่นก็คือการจองเวรอันนี้นเป็นนิทานแต่ว่าก็ให้คติเตือนใจจอเวรย่อไม่ระงับด้วยการจองเวรเหมือแต่แม้แต่คนคนเรานนี้มีสติปัญญาเนะี่ย ถ้าถูกขวิชาครอบงำแล้วก็เหมือนกับภรรยาน้อยภรรยาหลวงเนี่ยที่จองเวรกันเนี่ยว่าถ้าไม่เจอพระพุทธองค์นี่คงจะจองเวรกันไปอีก น, ะนานๆนี่นี่ได้พระพุทธองค์ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์จริงๆได้เตือนสติเนี่ยหลวงพระชาครูเคยเอามาเล่าให้ญาติโยมฟังเรื่องนางยักษีนีน่แหละเนี่ยก็เล่เาเรื่องการจองเวรจองกรรมกันเนี่ย เดีสุดท้ายมาดีต่อกันก็สงเคราะห์ซึ่งกันและกันนะีนางยักษิศีนี้เป็นผู้ที่มีลักษณะพิเศษเนื้อความความรู้พิเศษคือรู้ฤดูกาลรู้ฝนปีไหนฝนจะตกมากตกน้อยเนะี่ยสามารถเนะี่ยบอกได้ทายถูกนะเพื่อจะสงเคราะห์ผู้ที่เคยมีเวรต่อกันก็เลยบอกญิงคนนั้นที่มีภรระาต่อกันที่เอาไปเลี้ยงไวนะ้นไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ฆ่าอะไรกินอีก แล้วนางคนนั้นก็แรงก็ทํานาได้ผลฝนก็ทํานาได้ผลเนี่ยชาวบ้านก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยนี่เขาทำกันคาดคะเนไม่ถูกปีไหนฝนดีฝนไม่ดีนี่ทำนาทีไรก็ไม่ค่อยได้ผลแต่ว่าคนนี้เขาทำได้ผลก็เลยมาหาเนี่ยพอมาหาแล้วก็เล่าให้ฟังก็ลเลยนางยักษิณีตนนั้นก็เลยกลายเป็นผู้วิเศษ ว่ามีการเส้นไหวกันมาถึงปัจจุบันนี้มั้งขอโน่นข อ, อนี่นี่แต่ก่อนนก็ให้ชาบ้านแถวนั้นก็เลยทำนาได้ผลแต่สมัยนี้เขาไม่ต้องอาศัยอไรเนาะคนโบราณเขามีข้อสังเกตหลายอย่างแต่ปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปเนี่ยอาศัยธรรมชาติก็ยากเหมือนกันแม้จะมีความรู้ในด้านกมุตุก็ยัง ถ่ายผิดถ่ายถูกในสมัยปัจจุบันสู้สมัยก่อนไม่ได้สมัยก่อนนั้นเขาอาศัยพอเช้าช้ามานีแค่กายสัมผัสกับลมหรือกับบรรยากาศนีก็สามารถถ่ายได้ว่าวันนี้ฝนตกหรือไม่ตกนี่หรือไม่ก็ตอนเช้าก็จะมองไปทางทิศตะวันออกเมื่อนองไปทางตะวันออกเมื่อเห็นแสงทองกําลังขึ้นมานี่เมื่อแสงทองขึ้นมาถ้ามีเมฆหรืออะไรนี่ มาขวางมาขวางกั้นแสงทองตอนอรุณขึ้นเนี่ยเขาก็บอกว่าวันนั้นฝนจะตกเนี่ยหรือไม่เ็สังเกตต้นไม้ถ้าฤดูกาลก็สังเกตต้นไม้ถ้าปีไหนเนี่ยต้นไม้ออกดอกออกดอกต่ำออกดอกสูงเนี่ยต้นไม้บางชนิดมันจะออกตามลำต้นอย่างมะเดื่อเป็นต้นเนี่ยมันจะออกตามลำต้น ถ้าก็จะรู้ว่าปีนี้ฝนดีหรือฝนไม่ดีน้ำมากน้าน้อยก็จะดูต้นไม้ธรรมชาติมันจะบอกนี่ถ้ามันออกลูกสูงๆก็แสดงว่าน้ำมากนี่ถ้าลูกมันออกต่ำเนี่ยก็แสดงว่าฝนไม่ค่อยดีนี่หรือไม่ก็ดูสัตว์นี่ดูสัตว์นี่ดูสัตว์ดูพวกตะกรวดพวกตัวเงินตัวทองเนี่ยก็จะแต่ก่อนเนี่ย เป็นเด็กเนาะเป็นเด็กหนุ่มเนะนี่ยนี่พอเจอพวกนี้ก็ไล่กันนะสอนว่าจะจับลูกมั น, ม, นมันแน่นอนว่าถ้าตัวใหญ่มันมันถายไม่ค่อยถูกถ้าตัวเล็กๆแน่นอนตัวกําลังหนุ่มๆเนี่ยนะไล่จับมามาดูหางดูหางที่มันเป็นป้องๆเลยนะสีเหลืองสีดําสีเนี่ยเขาก็สามารถถ่ายว่าปีนี้ฝ น, นจะมากหรือน้ํามากน้ําน้อยนี่นั่นคือธรรมชาติแต่ก่อน ที่โดยไม่ต้องอาศัยกฎบุตรนิยมพิธีญาอาศัยการสัมผัสโดยธรรมชาตินี่คนอยู่ป่าก็มีความํำนาญเรื่องปา่าเนี่ยไม่มีหรอกฝนจะตกวันไหนมันแม่นนะแต่ก่อนเนี่ยดูบรรยากาศหรือสัมผัสทางกายก็รู้ความอบอ้าวสัมผัสรู้วันไหนฝนตกฝนไม่ตกเนี่ยมันจะบอกเนี่ผมก็เคยสังเกตรู้สึกแม่นเหมือนกันเนะี่ย ถ้าวันไหนเ ช, ช, ช้ามาเนี่ยเช้ามานี่คือปกติก็เป็นคนเหนือออกยา ก, ากนะ เ, เนี่นนนยถ้าลุกขึ้นมาตอนเช้าถ้าร้อนมากเปียกเนี่ยถ้าเปียกเมื่อไหรนั่นคือฝนชะตกเองนี่มันก็จริงด้วยเนี่ยถ้าขึ้นลุกขึ้นมาตอนเช้ามันผิดสังเกตมากเลยร้อนเปียกไปหมดทั้งตัวอบผ้าห่มเนี่ยนในวันนั้นฝนตกเนี่ย มองไปคนที่อยู่ทะเลนะเคยไปจำภาษากับเขาพวกนั้นก็มีความชำนาญในด้านทะเล น, ะนี่ถามเขาว่าทำไมถึงรู้ฝั่งกรมตุนิยมวิทยาเลยเขาว่าไม่นี่วันไหนช่วงไหนมรสุมจะเข้าเขารู้เลยนะสามวันล่วงหน้าเลยนะสามวันล่วงหน้านะมีวันหนึ่งอยู่ดีๆเขาก็ขนเรือดึงเรือกันขึ้นฝั่งนะเรือเป็นตั้งสองสามร้อยลำเรือไปเรือประมง ให้ไปเห็นเอ๊ะทำไมต้องเอาเรือขึ้นครัาบอกว่ามลสุ่มจะเข้าถามว่ารู้ได้ยังไงฟังวิทยุได้ไหมครับบอกรู้ด้วยการสัมผัสเนี่ยสัมผัสด้วยบรรยากาศเนี่ยดูทะเลดูบรรยากาศที่ทะเลเนี่ยมันจะบ่งบอกนั่นคือคนที่อยู่ประจักรเขาสามารถที่จะอาศัยธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนั้นแล้วก็พยากรณ์ได้เลยนั่นคือธรรมชาติจริงๆ า ก, การที่ได้สัมผัสกับธรรมชาติเนะี่ยมันก็ทําให้ได้ความรู้หลายๆอย่างเนะี่ยแม้การดําเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับวัตถุภายนอกเนะี่ยก็ทําให้เราได้ไดรู้จักเนะี่ยส่วนภายในอาศัยธรรมชาติล้วนๆมันไม่มีสิ่งยั่วยุเนะี่ยกิเลสมันก็เลยน้อยมันมีอยู่แต่มันก็ไม่มีสิ่งยั่วยุมากมันก็เลยไม่มาก เหมือนปัจจุบันยิ่งโลกจเจริญกิเลสคนก็ยิ่งมากความโลภความโกรธความหลงมันก็ยิ่งมากขึ้นมันก็เลยกเกิดปัญหาไงสมกับที่ครูบาอาจารย์นะั้นว่าความจเจริญมันมากขึ้นเท่าไหร่ความเสื่อมมันก็มากขึ้นเท่านั้นนั่นก็หมายความว่าความอยากของคนกิเลสของคนมันก็เพิ่มมากขึ้นมันไม่มีมไม่มีที่พอไงได้มาแล้วก็อยากได้ไปเรื่อย ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยถ้าตราใดไม่มองย้อนเข้ามาดูชีวิตของตนเองเนี่ยว่าเราจะอยู่นานเท่าไรเนี่ยถ้ามองไม่เห็นตรงนี้ก็มีแต่ความอยากสุดท้ายก็ตายกับความอยากนั่นแหละเนี่ยยังไม่ถึงที่สุดแห่งความอยากเนี่ยแต่มันก็ตายก่อนตายแล้วตายเลาเกิดแล้วเกิดเล่าก็ยังไม่ถึงที่สุดของความพอเนพราะมันคําว่าพอมันไม่มีนี่พอวิ่งตามตัญหา แต่ธรรมะนี่ท่านบอกว่าเออถ้ารู้จักคําว่าพอเนี่ยเคยเห็นนี่เห็นความแก่ความเจ็บความตายมันเคือเห็นความพอนะถ้ามีเห็นความแก่ความเจ็บความตายในความพอมันหายากเหมือนกันไม่มีที่สิ้นสุดเนะี่ยพอเห็นชีวิตว่าเออนี่มันไม่มากเนาะแค่นิดเดียวเองเนะี่ยพอเห็นสิ่งเหล่านี้ก็จะมองย้อนกลับเข้ามาว่าเออเราควรจะหาอะไรแสวงหาอะไร อะไรที่เป็นแก่นสารของชีวิตจริงๆเนี่ยมันก็จะได้มองย้อนเข้ามานี่ก็จะเป็นเหตุให้วบเข้ามาทาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเรียกว่าสิ่งแวดล้อมมันก็มีส่วนมันกันแต่ถ้าผู้มีปัญญาแม้โลกมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรเนะี่ยแต่ก็ไม่ได้ไหลไปตามอย่างรู้จักใช้ธรรมะมายับยั้งหักห้าม ก็สามารถดารงอยู่ได้ในทรามกลางความวุ่นวายความซับสนความไม่สงบเนี่ยแต่เอาเาความสงบได้เพราะอาศัยธรรมะ